ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทท้านั้นใต้ลมประโพธิยานกำลังปล ร, รบธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พานุรุษกับพวกทือเกี่ยวกับการมาเป็นเพียนทางจิตท่านต้องการจะบริกรรมเพื่อที่ไปจากสุต่ก็มีปัญหาภาคสนามพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่า ถึงภาคสนามของพระองค์ที่เจอปนาวุปสักเช่นเดียวกันก็มาถึงตอนที่ว่าด้วยประดุกอนอนรุธทั้งหลายเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีเพียรมีตนทรงไปอยู่ย่อมจําแสงสว่างได้นิดเดียวเห็นรูปก็นิดเดียวบ้างจําแสงสว่างมากไม่มีประมาณเห็นรูปก็มากไม่มีประมาณบ้างเป็นดังนี้ทั้งคืนบ้างทั้งวันบ้างทั้งคืนทั้งวันบ้าง สงความสงสัยเกิดขึ้นแกเราว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจำแสงสว่างได้นิดเดียวเห็นรูป ก, ก็นิดเดียวจำแสงสว่างได้มากไม่มีประมาณเห้นรูปกว่ามากไม่มีประมาณทั้งคืนทั้งวันบ้างตลอดทั้งคืนทั้งวันบ้างหรือ ท, ทั้งกลางคืนลกลางวันบ้างบางทีเห็นเฉพาะกลางวันบางทีเห็นเฉพาะกลางคืนบางทีก็เอาทั้งกลางคืนกลางวันนะมันก็แสดงให้เห็นอะไรอย่างเนง วพาตอนที่ประโพธิสัตว์ถ่มเบนเพียรเนี่ยเอาจริงมาก เ, เล่นทั้งกลางคืนกลางวันอย่าว่าเราปฏิบัติกรรมฐานน่แหละเนี่ยถ้าในรูปของเป็นงานกิจกรรมเข้าไข้ฝึกปลืออบรมในอย่างมากก็หนึ่งชั่วโมงแต่จะเปลี่ยนไปเดินจงกรมอะไรก็หมุนไปหมุนมาก็ตีถ้่าว่าสามชั่วโมงแต่จะไม่มีความตอรอเนื่อง เรานึกถึงพระบรมครูของเราในฐานะที่เป็นศาสดาเป็นผู้นำหมู่ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อประสบผลทางศาสรูนั้นมีการทำงานหนักแล้วคืนแลวลองสังเกตว่าแก้ผิดแก้ถูกลองผิดลองถูกบอกล้มบอกลุกล ก, ล ก, ลกันมาเรื่อยเลยเอาขนาดว่าปัญหาสองประการคือการเพ่งดูอารมณ์ รูปอนิมิตกับโอภาษสษ น, นิมิตโอภาสนิมิตคือแสงรูปอนิมิตก็คือรูปก็แล้วแต่จะกําหนดรูปอะไรคือเพ่งรูปเพื่อจะเห็นรูปหรือเพ่งที่รูปยังไดอย่างหนึง่งแต่บางครั้งก็แป๊บเดียวนิดเดียวบางครั้งก็มากแสงก็มากรูปก็มากบางทีแสงก็น้อยรูปก็น้อยมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทั้งทั้งที่ธรรมะหลัก คือความไม่ประมาทความเพียรมีตนส่งไปแล้วและอยู่เนี่ยเราก็ทำให้เกิดสงสัยว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นจากนั้นก็ทรงดูนะให้เราสังเกตว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนแก้ที่นั่นนั่นคือวิธีพุทธวิธีพุทธปัญหาเราเกิดที่ไหนเราแก้ที่นั่นปัญหาเกิดที่พระพุทธเจ้าเองในสมัยประเป็นพระพธศาสนยังไม่ได้ศัตรูตรเพรา ะ, ะนั้นก็สงแก้ที่พระองค์ ใอ้เราสังเกตว่ามองดูมาตามลําดับในชั้นแรกนี้ไม่เห็นทั้งแสงทั้งรูปเลยต่อมาก็เห็นแสงเห็นรูปจะเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เห็นสองอย่างเมื่อเกิดปัญหากันมาว่าทำใหม่ก็เพราะว่าที่เห็นจะเพราะแสงเพราะส่งเพ่งที่โอภาสนิมิตคือเพ่งที่แสงเห็นจะเพราะรูปเพเพ่งที่รูปนิมิต ทีนี้ในการเพ่งอย่างเนี้ยบางทีมันก็เห็นนานถึงเห็นนอยบางทีเห็นมากนะมันก็เบิดเกิดปัญหายัางถามต่อไปว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรคือการเพ่งไม่ได้หมายความว่มาจิตมันสงบเพ่งเกียังไม่สงบก็ได้นะฮะจริงเป็นรูปแบบที่เรานั่งนับลมหายใจเข้าออกนั่งภาวนาพุทโธเป็นชั่วช่วโมงเลยไม่สงบสักนิดหนึ่งมันก็สงบดีกว่าปกติหน่อยเท่านั้นเอง แต่ว่าจิตก็ยังวิ่งไปวิ่งมาวนไปวนมากันอย่อยางงี้หมายถึงก็สงบเป็นสมาธิอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปติดใจว่าถ้าพอนั่งสมาธิแล้วต้องสงบไปจากการสังเกตไปบรรยายอบรมนักเรียนที่วัดพระูกแก้วเบอร์สูงเนินเนี่ยปัญหาถือจะเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากครูบาอาจารย์คนอื่นเขา อ, อบรมมา อาตอมาก็ไปส่วนใหญ่เนี่ยฮะจะตอบปัญหาเป็นหลักพอเราดูถ้าปัญหาน้อยก็อาจจะพูดอะไรสักหน่อยหนึ่งแต่ปัญหามากเราก็ไม่ได้พูดหรอกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พูดเพราะปัญหามันเยอะเหลือเกินแล้วก็ตอบไม่เคยหมดพรเด็กอยากถามอะไรทําไมอย่างไรเพราะเหตุใดเนี่ยคือือจะต้องอธิบายอยู่เรือยเลยอธิบายก็กินกินเวลายา แต่เราก็เห็นว่าประสบการณ์ของเธอในภาคสมายชีพก็จะมีลักษณะอย่างเนี้ยก็คือกันมันก็ติดอยู่แถวนิมิตแถวผูกปีติแถวนิมิตแถวอาการต่างๆที่ปรากฏแก่แก่จิตใจแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคที่ก่อให้เพลินบ้างก่อให้ยึดติดบ้างเนี่ยก่อให้เกิดความสับสนบ้างก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นแล้ส่วนใหญ่มันไปมองออกข้างนอก นี่คือปัญหาใหญ่เผื่อถ้าเรามองเข้าข้างในแล้วปัญหามันจะลดลงไปเยองเลยเจนสมมุติว่าทําไมผู้บังคับปัญหาไม่ชอบทําไมคนเขาไม่ชอบทําไมคนนั้นเขารักเขาทําไมเราเขาเขาไม่รักอะไรแต่ไหนถ้าไปมองที่ตัวคนซึ่งมีความรักมีความชังมีความรักคนอื่นมีความชังต่อเราแล้วจะยุ่งเลย จะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ก็แก้ที่ตัวเราเพราะเขาเนี่ยเขารักในตัวเขาเขาเป็นคนถูกรักเราเป็นคนถูกเกลียดแสดงว่าความเกลียดความรักไม่ได้อยู่ที่จิตเขาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็อยู่ที่พฤติกรรมของเราหรือพฤติกรรมของคนที่เขารัก ถ้าต้องการนักขรรก็มาปรับที่ตัวเองตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นให้ลองสังเกตนะฮะว่าเราได้เกิดแก่ความรู้ได้เกิดแก่เราว่าสมัยใดสมาธิเราน้อยสมัยนั้นจักสุก็มีน้อยต้วยจักษุอันน้อยเราจึงจำแสงสว่างได้น้อยเห็นรูปก็น้อยคำว่าจักษุในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุนะฮะหมายถึงปัญญาจากักษุ คือตาองก็ตาธรรมดาเนี่ยมังสะจกสักษุก็เป็นธรรมดาน่นะแต่ว่าคำไม่เห็นในที่นี้ที่จริงหลับตาเห็นแล้วถึงจุดหนึ่องอาจจะลืมตามเห็นก็ได้นะถ้าใช้แนวกนสินเนี่ยมันก็ลืมตามเห็นก็ได้แต่ถ้าแนวอื่นมันก็หลับตาก็เห็นเพราะกจักษุก็คือคือตาปัญญาเนี่ยที่จะเห็นแสงซึ่งปรากฏภายในจิตเนี่ยมันจะน้อยเพราะอะไรเพราะสมาธิมันน้อย สมาธิที่น้อยในจิตมันไม่นิ่งจิตไม่สงบไม่เราไม่ต้องดูอื่นไกลนะการอ่านหนังสือการอ่านธรรมการอ่านจับประเด็นอะไรเรื่องราวต่างๆเราเจอว่าคนบางคนสมาธิก็ดีก็อ่านหนังสือได้เยอะแล้วก็ได้เร็วแล้วก็จับประเด็นได้เยอะแต่คนบางคนจะอ่านหนังสือได้ช้าและมาเองก็อ่านหนังสือช้านะฮะแล้วก็ มันค่อนข้างจะติดอ่านไปคิดไปเรื่อยๆอแต่คิดขยายไปเรื่อยๆแต่บางทีถ้าเราต้องการจับประเด็นเราก็จับได้นะจับประเด็นก็เปิดเร็วๆเราก็ดู จ, จับเฉพาะประเด็นเรื่องเนี้ยก็ได้แต่เห็นชัดเจนว่าการใช้สมาธิจะต่างกันเพราะถ้าคิดจับประเด็นเนี่ยต้องสํารวมใจมากเป็นพิเศษ มองปลาดจากมุมหนึ่งไหาค ม, มุมหนึ่งนี่จประเด็นตรงนั้นได้ว่าหน้านี้ข้อความสำคัญมีอะไรบ้างต่เป็นตัวหลักตัวแกนเดีย๋ยวอย่างการอ่านหนังสือสังเกตนักเรียนสมัยปัจจุบันความจำไม่ค่อยแม่นคือสอนมาระดับปีสนะีะนักศึกษามาตรางแ่ปีสีบางทีก็ปริยโทนะฮะเรวก็ลองถามทบทวนดูนี่ไม่ค่อยแม่น เขไม่ทราบเรียนยังไงแต่ก็สรุปแล้วก็คือตรงเนี้ยสมาธิเนี่ยมันจะไม่ชัดพอไม่ชัดปัญญามันจะไม่ผ่องใสเพรอสมาธิกับปัญญาเนี่ยเขาอบร่มซึ่งกันอะไรกันหมายความอิงอาศัยกันอะไกันอย่างที่ทรงแสดงว่าดูก่อพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทําสมาธิให้เกิดบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิจะรู้เห็นดําความเป็นจริงผ น, นเมื่อสมาธิน้อยเนี่ย สมัยสมาธิน้อยก็จําแสงสว่างได้น้อยเห็นรูปก็น้อยพอสมาสมัยใดสมาธิมันเกิดมากคือจิตมันสงบมากจิตมันนิ่งจิตมันนิ่งนิวรณ์มันสงบนะฮะเราอย่าลืมว่านิวรณ์ไม่หมดหรอกแต่มันสงบมันสงบกาใจมันก็ผ่องคล้ายๆกับเราดูน้ําแล้วชัดเพราะว่าเวลาอบเวลาทรงอุปมาพวกกิเลสประเภทต่างๆเนี่ยนะบางทีอุปมาเป็นน้ําหมดเลย นะเช่นนิวรข้อแรกคือกา ร, รมฉันจิตเหนียวนึกด้วยอํานาจความใคร่ในสิ่งที่ใคร่เนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําที่เจือด้วยสีเลอะเทอะไปเครือบไปหมดเลยเราจะมองเงาหน้าของเราจากน้ําซึ่งลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดเจนความคิดแนวแนวโทสะแนวาคาตพยาบาดมันเหมือนกับน้ําเดือดความคิดแนวธีนามิถะ ว่องเงาหาเหานอนว่องนต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับน้ําที่เจียว้วยจอกแหนคือมันแหวกเอามือแหวกจะดูงเงาหน้าเ น, นี่ยมันแป๊บเดียวจอกแหนเหล่านั้นมันก็คืนกลับเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันทีน้ําพิธาเนี่ยเหมือนกับน้ําขุนวิจิกรฉาเหมือนคโครนเลยเราจะเห็นว่าอุปมาเป็นน้ํำเละกินนี้น้ําเนี่ยถ้าแกแกใสเนี่ยเราจะมองได้เล็ก แต่ก็คกิคุณคุณคุณมากแล้วยิ่งเละเลยจะมองได้ลาบากมากเพราะจิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อต้องการจะเห็นแสงก็ดีเห็นรูป ก, ก็ดีแต่สมาธิมันอ่อนเนี่ยก็ต้องเห็นนน้อยธรรมดาเหมือนกับน้ำขุนนี่น้ำขุนหรือน้ำเดือดหรือน้ำเจือสีก็ตามนะมันก็เห็นอะไรไม่่อยชัดแล้วก็ไม่ลึกแต่ถ้าหากว่าน้ำก็ใส เราจะมองลึกลงไปได้เรื่อยๆเหล่านว่าบางทีนี่มองลึกได้เยอะนะน้าเนี่ยถ้าน้ำก็ใสจริงๆนี่มองได้ลึกมากจิตใจเราก็เป็นเช่นเดียวกันก็รับสั่งว่าสมัยใดสมาธิเรามากไม่มีประมาณสมัยนั้นจกักษุของเราก็มากไม่มีประมาณโดยจกักษุมากไม่มีประมาณนั้นเราจึงจําแสงสว่างได้ไม่มีประมาณเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกันอะกันธรรมะเป็นกระบวนการอย่างนั้นเนี่ย มันเหมือนกันน้ําตกลงบนภูเขาตกทางเหนือนะฮะไหลไปลงแม่น้ําเลยลงลงทะเลเลยลงอ่าวไทยนะไม่น่าเชื่อเลยตกที่เชียงใหม่เชียงรายน้ํามาลงอ่าวไทยได้มันเป็นอย่างนั้นเองนะธรรมชาติธรรมชาติธรร ม, มะเนี่ยขอให้มีจุดเริ่มต้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามแต่อกุศลไม่ต้องไปเริ่มมาหรอกเพราะจึงได้ได้ยินพระพุทธํารัสบางประการเนี่ยเป็นคํำสั้น แด้มาชอบเป็นพวกตำรับที่จัดกับพระเจ้าสุโธตนะชอบมากว่ามัญชัดมากทำมันจะเรสุจริตงังนะนังรสจริตงรังเจเรพึงประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตธรรมะในทีน่นี้อาจจะเป็นหน้าที่ก็ได้การ บ, บัดภารกิจการให้ดีให้งามเนี่ยให้ดีงานเนี่ยทําอะไรให้มันดีงาม ทุก็ชั่วยากทุกจริตก็คือทําแล้วก็ชั่วทําแล้วก็ยุ่งยากลำบากเรามองดูข่าวคราวที่พูดกันมีการสัมมนาทางวิชาการส่วนมากพวกนักปจาการนะฮะชอบพูดถึงความผิดของคนอื่นคล้ายๆกับวงการตัวเองเป็นวงการที่บริสุทธิ์หรือหมดจดอะรเกินบอกตำมวจนักการเมืองคอรัปชันอันดับหนึ่งตำรวอันดับสองสันกรณ์อันดับสามะต่ออะไรเนี่ยนะ ที่จริงมันควรจะเปิดเผยเนี่ฮะแล้วองค์กรเหล่านั้นถ้าเชื่อมั่นในตัวเองควรจะเรียกร้องให้เปิดเผยเอกสารเหล่านั้นแล้วก็ตรวจสอบกันมันไม่ใช่เอามาพูดโดยไม่ต้องรับผิดชอบมันเป็นสถาบันนะมันเป็นองค์กรเป็นสถาบันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้มันมีค่าธรรมเนียมมันมีค่าอะไรต่อไม่อะไรอยู่นะเราก็ไม่ร่วมก่อรับชันหรือไม่กอรับชันที่จริงก็ควรจะออกมา คือทำอะไรชัดเจนจิตใจนีมน่มันสำคัญที่สุดว่าแ้าก็เริ่มต้นที่ดีมันก็ไหลมันดีแนวตรงนี้ไม่ว่าจะดูตรงไหนก็ตามฮะเราลองสังเกตว่าเช่นเช่นสมมติว่าแนวมงคลสูตรเนี่ยประเด็นสำคัญว่าอยากคบผ่านก็แล้วกันให้เริ่มต้นที่คบบัณฑิตได้แล้วมงคลทั้งสามสิบกว่าข้อเนี่ยมาเอง หรืออย่างที่ทรงแสดงในปราาวัสสุที่พูดถึงคนจะเสื่อมหรือว่าจ ะ, จะเจริญเนี่ยจะรู้ได้ยังไงพี่เจ้าทรงแสดงว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจ ะ, จะเจริญก็รู้ได้ง่ายผู้ใดใคร่ทำเป็นผู้จเจริญผู้ใดชังทำเป็นผู้เสื่อมเต่ไม่โคตรสำคัญให้ชังทำเออไม่ใช่ให้ใคร่ทำนะฮะให้ใคร่ทำเพราะใคร่ทำมันเดินได้ หลายปีมาแล้วท่านผู้ฟังคงนึกออกเมื่อเกิดสะดุดใจนะเกิดมาเคยเห็นคําขวัญในวันต่างๆโดยเฉพาะปีใหม่นายกรัฐมนตรีมกกักจะวักคำขวัญสมัยจอมพลถน อ, นอมเนี่ยเขาต่อเป็นปีๆยาวมากปีแรกเนะี่ยขึ้นตังจงทําดีจงทําดีจงทําดีต่อมาก็จงทําดีมีศีลธรรมหรือความสัตย์ ต้องทำดีมีสินธรรมนะฮะต่อไปก็จงทําดีมีสินธรรมด้วยความสัตว์ต่อไปก็จงทําดีมีสินธรรมด้วยความสัตว์ถึงกระจัดทั้งความโลภและโกรธหลงต่อไปก็ต่ออกีกฮะสามเมื่อกี้มีทั่วการชาติมั่นคงต่อไปก็ช่วยดํารงเอ ก, กรากษณ์มิจฉาแต่ก็ต่อไปจงบนถาหนองก็เป็นนานะะแต่ว่าต่อเป็นตอนตอนใ น, นสมัยพลเอกเปรมเนี่ยมันปีหนึ่งเป็นปีเยาวาชนสกนุลของคุณเปรมมีสามมีสาม สมหลักธทรรมกันแล้วกันนะฮะแล้วองค์การสหประชาชาติก็มาต่ออีกเป็นสามก็เลยกลายเป็นหกก็เป็นกำขวัญที่มาต่อกันแล้วมันก็ยาวเราก็มานั่งมองเอออันนี้ก็คือกระบวนการการธรอมะเขบอกว่าของคุณเปรมาสามมกีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมองค์การสประชาชาติบอกว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติ พอเรา ม, ามองในแง่ของธรรมะแล้วบอกเออเราไม่เข้าใจธรรมะนี่จึงพูดกันมากเป็นการพูดธรรมะจากปลายต้นไม้พูดถึงต้นไม้แต่พูดจากปลายเลยอบยดอกเยอะจังทั้งกิ่งทั้งใบทั้งดอกทั้งผลเยอะจังแต่เราไม่น้นวันมาจากต้นต้นเดียวแล้วมาจากรากแก้วเพียงรากเดียวแต่นั่นเองเพราะาถ้าเรามองเป็นกระบวนการธรรมะให้เห็นนะ เราสังเกตว่าตัวงนี้ยตรูอาจารย์เน้นที่ตัวสมาธิว่าถ้าจะมีสมาธิมากไอ้มากมันก็ตามมาเป็นแถวเลยสมาธิน้อยไอ้น้อยก็ตามมาเป็นแถวเหมือนกันทีนี้ในคําขวัญหกคาขวัญที่ว่าเนี่ยเราเห็นว่าตัวแกนแกนมาจริงๆเนี่ยคือว่าไยคุ ณ, ณธรรมไยคุ ณ, ณธรรมมันมีค่าเท่ากับอะไรล่ะมีค่าเท่ากับคบบัณฑิตมีค่าเท่ากับใครธรรม มีค่าเท่ากับเดินไปบน เ, นเส้นบนเส้นทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วมีค่าเท่ากับเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กันเห็นไหมจริงโดยเนื้อหาสาระแล้วเหมือนกันจะนาคนไปสู่ความสวัสดีด้วยกันเท่านั้นอย่างในมงคลสูตรเนี่ยทรงแสดงไว้ในตอนสุดท้ายว่าสัพพธรรมะปราชิตาคือจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ส, สัพพะโสถิงกัจฉันติจะเข้าถึงความสวัสดีในทีท่ทั้งปวงจุดเริ่มต้นก็คือให้คขา บ, บัณฑิตแล้วมันจะเดินไปโดยลํำดับเองดังนั้นตรงนี้ถ้าเราเริ่มที่ฝ่ายคุณธรรมคนที่ฝ่ายคุณธรรมนะ่ะต่างคนต่างก็ฝ่ายคุณธรรมก็ทํางานรับผิดชอบในงานตัวเองมันเป็นการประสานงานเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกัน มันก็กลายเป็นมีวินัยนะกลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยคนที่ฝ่ายคุณธรรมก็คือคนที่มีระเบียบวินัยคนที่มีระเบียบวินัยก็คือคนที่ฝ่ายคุณธรรมทีนี้มันก็ออกมาเป็นรูปพฤติกรรมก็ทํางานประสานกันส่งเสริมกันสนับสนุนการช่วยเหลือกันคล้ายๆกับอะไรล่ะอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยทํางานประสานกันแต่ว่าไม่ใช่ทําอย่างเดียวกัน ยิงแต่ว่าแต่ละจุดไม่มีจุดบอดตาก็ไม่มีปัญหาหูก็ไม่มีปัญหาจมูกก็ไม่มีปัญหาลิ้นก็ไม่มีปัญหากายก็ไม่มีปัญหาใจเองก็ไม่มีปัญหาทํางานก็ประสานกันก็สามัคคีพอสามัคคีมันก็กลายเป็นร่วมแรงแข่งขันพอร่วมแรงแข่งขันงานมันก็พัฒนาเองและสันติมันก็เกิดเองเห็นไหมฮะมันเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราพูดในโครงสร้างของอเลสสัดก็คือเป็นพูดถึงมรรกับ สมุทตอนิโรธของขององค์การสวรชาชาติมีลักษณะเป็นนิโรธคือเป็นผลเป็นผลสำนิดที่ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันตินะฮะสันตินะมั น, ม, นมันเป็นตัวผลเป็นตัวเป้าประสงค์แต่เราจะเห็นว่ามันก็ขับเคลื่อนมาจากจิตที่ฝ่ายคุณธรรมแต่จิตไม่ฝ่ายคุณธรรมก็เดินไม่ได้ ธรรมะที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ก่อนสสรู้ก็มีลักษณะอย่างนั้นได้จะเห็นว่าประการหลักตัวหลักเนี่ยตัวหลักในที่นี้น่าจะเพราะในที่นี้คือตัวตัวสมาธิแต่สมาธิมันเป็นผลรวมของความไม่ประมาทความเพียรมีตนส่งไปแล้วแลวอยู่เนี่ยม้ว่าก่อเกิดเป็นพลังสมาธิที่นี้พอสมาธิมากเนี่ย จักษุก็มากแสงก็มากพอมาสมาธิน้อยปัญญาก็น้อยแสงสว่างก็น้อยไม่ใช่ปัญญาก็น้อยเหตุรูปก็น้อยทีนี้จาจารยนก็รับสั่งในช่วงต่อมาว่าในการที่เรารู้แจ้งว่าอุปกเล์ทั้งหลายมีวิจิวิจีกิาเป็นต้นงกล่าวแล้วเนี่ยนะ เป็นอุปเกเลสแห่งจิตแล้วและก็ละมันเสียได้แล้วการนั้นย่อมเกิดความรู้สึกขึ้นแกเราว่าอุปเกเรตแห่งจิตของเราเราได้อุปเกเรตนั้นๆเราละได้แล้วเดี๋ยวนี้เราจะเจริญแล้วซึ่งสมาธิโดยวิธีสามอย่างเห็นไหมว่ามันเหมือนกับอะไรละ่ะเหมือนกับเราป่วยอะ่ะเราป่วยเราก็ต้องขจัดไอเหตุให้ป่วยออกไปแล้วใครเป็นคนรู้มันหายป่วยละ่ะ เราก็เป็นคนรู้ด้วยตัวของเราเองว่าไอเหตุให้ป่วยนั้นเราเราได้ขจัดไปแล้วเราก็หายป่วยแล้วการศึกษาการรบัดในด้านธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นพระองค์มองเห็นโทษชัดเจนคือต้องมองเห็นโทษนะ่ะสํานวนบาลีเนี่ยที่รู้เจ้าสงฆ์ใช้เองเนะแต่มาว่าเพราะดีเห็นโทษโดยความเป็นโทษเรามองดูสังคมไทยเราง่ายๆก็ได้ สังคมไทยเราในมีปัญหาเรื่องความไม่รู้ความยากไร้โรคภยัคยไข้เจ็บปัญหาวางแผนครอบครัวมาอาตมาเป็นเด็กเด็กก็จำได้มาเป็นเด็กเด็กแล้วก็รู้แสนรู้เลยเป็นคนที่เรียกว่าทำงานน้อยแต่ต้องการได้มากๆเพราะนั้นจึงค้าขายไม่ค่อยได้ขาดการประนีประนอม อ่าต่อรองอะไรนิดหน่อยไม่ได้แล้วขาดความบดขั้นความอดทนอะไรๆ ร, รู้หมดหปัญหานี้ลองอธิบายเถอะที่เขาพูดออกโทรทัศน์แต่ละทีในรูปปัญหาหมดอล้วลองฟังดูแต่ว่าทําไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะเลยเพราะว่าโทษเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันครั้งบางคราวเนี่ยคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเจะเห็นโทษของการนอนหลับ นอนหลับนั้นทำให้ชีวิตมันเป็นหมันแต่ว่าร่างกายเราก็ควรจะพักผ่อนจำนวนหนึ่งนะฮะตามเหมาะตามควรแต่ตีนนี้ถ้าพักมากแล้วเขาก็อธิบายข้าวกลางตัวเองได้ดีอย่างนั้นดีอย่างงี้ดีอย่างนอนแกไม่ไม่ขยันเราเพราะยังมองไม่เห็นโทษชัดเจนแต่ถ้าเรามองให้ละเมียดละไมเนี่ยชีวิตเรามันมีการพักใหญ่ตอนอยู่ในโรงเนี่ยนะพักได้เยอะเลย จะขวังหร้จะเผาก็ตามไตอนนั้นก็ถือว่าพักนานสมรัตสังขารร่างกายตรงนั้นนะฮะหรือแม้แต่ไปเกิดในกำเนิดอื่นมันก็ต้องพักอยู่ระยะหนึ่งนะเพราะงั้นไม่ต้องไปสนใจมันเท่าไหร่หรอกทุ่มเททำงานลงไปให้มากทำงานนัเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วในที่สุดก็จะสามารถใช้การเวลาที่มาถึงข้าวเนี่ยให้คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ที่ตัวเองพึงประสงค์ธรรมะตรงนี้ทรงยกมาเพียงข้อเดียวนะฮะว่าหนึ่งก็คือสมาธิเนี่ยเป็นทางนำมาผลาต่างๆแต่ในขณะเดียวกันสมาธิมันไม่เกิดหรอกถ้าว่ามีพวกปัญหาต่างๆมีวิจิกิจฉามีทีนำมิท่ามีพยาบาทมีอรอะรอยู่มันไม่เกิดหรอกทีนี้ทำยังไงพวกนี้มันจะหมด ก็ต้องเห็นโทษชัดเจนที่ทรงแสดงว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษพวกนี้สมุดสรุปแล้วก็คือกลุ่มมัสมุดไทยทั้งหมดสัพกิเลสทั้งหลายนี่ชื่ออย่างไงก็ช่างมันแต่มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเพราะงั้นจะต้องมองเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็าตามเหมือนยาพิษเหมือนดวงไฟเหมือนอสรพิษน่ะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สําคัญกัดตายทั้งนั้นต้องฟังทั้งหลาย ในรมประพฤิยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปู์ในธรรมจึง ม, มีแตท่านผู้เฝังตั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี